ความตายคืออะไรปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครถามขึ้นก่อนแต่เป็นปัญหาที่โอปปาติกะท่านหนึ่งให้ความเห็นมาว่าควรจะเขียนเรื่องนี้เพราะเป็นปัญหาที่ คนสงสัยและต้องการอยากจะทราบความจริงด้วยกันทั้งนั้นเนื่องจากทุกคนกลัวตายและไม่ทราบว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรและคนส่วนมากก็รู้สึกกันว่าความตายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงและน่ากลัวมากแม้ว่าจะมีบางคนพูดว่าฉันไม่กลัวตายคนประเภทนี้เมื่อถึงคราวจะตายเข้าจริงๆก็กลัวตายกลัวมากด้วยการที่เขาพูดเช่นนั้น ก็เพราะเข้าใจว่าความตายคือความสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตายแล้วก็หมดเรื่องเพราะฉะนั้นเขาจึงพูดว่าไม่กลัวตายการที่ทุกคนกลัวตายก็เพราะมีหลักอยู่ว่าทุกคนรักตัวเองทุกคนไม่อยากตายและในเมื่อไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรคนประเภทนี้ย่อมต้องกลัวมากที่เขาพูดว่า ตายแล้วก็หมดเรื่องหมดทุกข์ความเข้าใจอันนี้ไม่ใช่เกิดจากความรู้แจ้งแต่เกิดจากการสันนิษฐานเอาเองที่เห็นคนตายแล้วไม่มีความรู้สึกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจเอาเองว่าคนตายก็หมดเรื่อง แต่ข้อสันนิษฐานอันนี้มันขัดแย้งกับความรู้สึกภายในที่ว่าคนเราทุกคนรักชีวิตของตัวเองยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดและไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวจริงจริงจึงอดกลัวไม่ได้ในเมื่อยังไม่รู้จ้งเกี่ยวกับความตายมันเหมือนกับคนที่จะไปเมืองนอกถ้าคนไหนมีความรู้ภาษาต่างประเทศดีเข้าใจถึงเรื่องราวที่ตนเองจะต้องไปประสบอยู่บ้างแล้วเขาก็ไม่กลัวในอันที่จะ ส่วนคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องเมืองนอกภาษาต่างประเทศก็ไม่รู้ถ้าจะต้องไปคนเดียวแน่นอนเหลือเกินว่าเขาไม่อยากจะไปแม้จะจ้างให้ไปก็จะไม่ยอมไปคนส่วนมากจะเป็นเช่นนี้เรื่องความตายเป็นสิ่งที่มืดมนยิ่งกว่าการไปเมืองนอกหลายเท่า ฉะนั้นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องความตายเพียงแต่สันนิษฐานเอาเองนั้นเรื่องที่จะไม่กลัวตายเป็นอันไม่มีคนส่วนมากคิดว่าความตายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นการพลัดพรากและเป็นการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นความตายจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์และสัตว์ทุก ต, ตัวตนกลัวกันมากแต่ความเป็นจริงความตายไม่ใช่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มากมายอะไรนักโดยเฉพาะในด้านจิตใจหลังจากตายกับก่อนตายสภาพจิตใจโดยส่วนใหญ่จะคงอยู่ในรูปเดิมแม้แต่ร่างกายโดยรูปร่างภายนอก ก็เหมือนเดิมทุกอย่างถ้าหากเขาตายแล้วยังอยู่ในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงมีคนเป็นจำนวนมากทั้งที่ได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ยังเข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายซึ่งคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสมุละโหกาลังกรโรติตามสับแปลว่าเป็นผู้หลงตายซึ่งหมายความว่า ก่อนจะตายก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าตายไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วจากโลกมนุษย์คนประเภทนี้พื้นเดิมเป็นพวกที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนเข้าใจว่าตายแล้วหมดเรื่องทุกวันนี้คนที่ตายไปแล้วไม่รู้ตัวว่าตายมีมากกว่าในสมัยก่อนมากมาย ผู้ที่ตายแล้วไม่รู้ตัวว่าตายนี้เป็นบุคคลที่น่าสงสารมากเพราะตลอดเวลาที่เขายังหลงเข้าใจผิดอยู่เช่นนั้นเขาจะไม่ได้รับความสุขเลยเขาจะปรับปรุงตัวให้เข้ากับชีวิตในโลกนั้นไม่ได้แม้จะมีผู้รู้ในโลกนั้นแนะนำสั่งสอนก็ยากที่จะเข้าใจถ้าเทียบกับคนในโลกมนุษย์ก็เปรียบได้กับพวกที่มีปัญญาอ่อน โดยหลักความจริงชีวิตทุกชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากสภาพสิ่งแวดล้อมก็เกิดมาจากวิบากฐานะภายนอกทุกอย่างก็เกิดมาจากวิบากวิบากเป็นสิ่งที่ไม่ตายวิบากคืออำนาจสร้างสารรค์ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ที่เข้าใจหลักเหล่านี้ดีก็จะเห็นว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความตายไม่ใช่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวง ความตายไม่ใช่เป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างตรงกันข้ามความตายเป็นความงอกงามของชีวิตเป็นการปรับปรุงชีวิตให้เหมาะสมเสียใหม่คนที่ตายก็เปรียบเหมือนใบไม้เก่าที่ร่วงไปครั้นแล้วก็จะมีชีวิตอย่างเดียวกันนั่นแหละเกิดขึ้นมาอีกซึ่งเปรียบเหมือนใบไม้ใหม่งอกขึ้นมาอีกตราบใดที่รากมันยังอยู่ต้นมันยังดีกิ่งหักหรือใบร่วง ย่อมหมายถึงจะมีกิ่งใหม่ใบใหม่งอกขึ้นมาอีกจงพิจารณาดูให้ดีว่าการที่ใบร่วงหรือกิ่งหักมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวเป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือไม่ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันตราบใดวิบากยังอยู่วิญญาณยังอยู่ความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียแต่อย่างใดเลย คนส่วนมากไม่เห็นเด็กที่เกิดใหม่ยอมจะดีใจแม้จะไม่ใช่ลูกของตัวเองก็ตามเพราะชีวิตเด็กเป็นชีวิตที่กำลังจะเจริญงอกงามขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะตั้งต้นขึ้นมาอีกขอให้พิจารณาดูเด็กในโลกนี้ทุกคนก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่ทราบมาก่อนว่าตัวเองต่อไปภายหน้าจะเป็นอย่างไรเหมือนกับมนุษย์เราไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่เด็กที่เกิดใหม่ทุกคนก็เป็นบทเรียนที่มีค่าทำให้เรารู้จักชีวิตได้อย่างลึกซึ้งเด็กบางคนเกิดมาในถ้ำกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างไว้คอยต้อนรับเขาอย่างดีแต่เด็กบางคนก็ตรงกันข้ามขอให้พิจารณาดูให้ซึ้งว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้จะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ได้เพราะเด็กทุกคนช่วยตัวเองไม่ได้ ชีวิตของเด็กต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่และคนอื่นอีกหลายคนแต่ถึงกระนั้นเราก็พบว่าสำหรับเด็กที่มีวิบากมาดีเมื่อเขาเกิดมาในโลกนี้แม้จะมาอย่างไม่รู้อะไรเลยแต่เด็กที่มีบุญก็จะไม่มีความลำบากอะไรถึงกับจะต้องเป็นห่วงหรือหวาดกลัวเหมือนกับคนส่วนมากที่คิดว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าหากเขารู้แจ้งว่าเมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีกและชีวิตที่เกิดใหม่จะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับวิบากเขาก็จะไม่ค่อยกลัวความตายจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่ขอให้พิจารณาดูจากเด็กที่เพิ่งเกิดมาในโลกนี้หรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้พิจารณาดูคนที่ไปเมืองนอก คนที่รู้เรื่องเมืองนอกดีรู้ภาษาต่างประเทศดีและเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วเขาจะไม่กลัวเรื่องการไปต่างประเทศเลยเพราะการไปต่างประเทศนี้มันก็คล้ายๆกับอยู่ในเมืองของตัวเองขอให้สังเกตว่าตัวเราที่อยู่ในเมืองไทยกับตัวเราที่ไปอยู่ต่างประเทศก็คือคนคนเดียวกันนิสัยใจคอก็อย่างเดียวกันรูปร่างหน้าตาก็คนคนเดียวกันถึงแม้ว่าโดยปรมัด ทั้งร่างกายและจิตใจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตก็ตามแต่โดยหลักส่วนใหญ่แล้วเราก็ยังจำได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันในการไปต่างประเทศบางคนก็อาจจะได้ไปพบกับคนไทยด้วยกันได้ไปพบกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้พบกับคนชาติเดียวกันหรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ส่วนมากเราจะต้องไปอยู่ในถ้ำกลางคนแปลกหน้าแต่ถ้าหากเขาเป็นคนมีความรู้และได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเขาก็จะไม่มีความลาบากในการที่ต้องอยู่ถ้ำกลางคนแปลกหน้าและบางคนก็อาจจะสนุกเพลิดเพลินจนลืมบ้านของตนเองแต่บางคนก็อาจจะตรงกันข้าม การตายก็เหมือนกับการไปเมืองนอกเหมือนกับใบไม้ที่ผลัดใบใหม่ฉะนั้นความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวถ้าหากเราได้ศึกษาให้รู้อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนว่าความตายคืออะไรชีวิตหลังจากตายเป็นอย่างไรคนรู้แจ้งในเรื่องนี้และได้เตือมตัวไว้ก่อนแล้วคนประเภทนี้เท่านั้นที่ไม่ค่อยกลัวตายส่วนคนที่พูดว่าคนเราตายแล้วก็หมดเรื่อง เพราะสันนิษฐานเอาเองนั้นกลัวตายทุกคนตามหลักพระพุทธศาสนาถือเป็นหลักตายตัวทีเดียวว่าคนที่ยังมีตัณหาอยู่ในสันดานยอมต้องมีความกลัวตาย ฉะนั้นคนที่ติดหรือเป็นห่วงในเรื่องทรัพสมบัติในเรื่องตัวเองอยู่และมีความเห็นว่าคนเราตายแล้วก็สูญหมดเรื่องราวทุกอย่างนั้นจะต้องมีความกลัวตายอย่างแน่นอนจะกลัวมากหรือกลัวน้อยก็อยู่ที่ตันหามีมากหรือน้อยและตันหาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอวิชชาเพราะตันหาเกิดจากอวิชชาฉนั้นผู้ที่มีอวิชชาเบาบ า, บาง คือเข้าใจเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงอยู่บ้างความกลัวตายจึงมีน้อย